แต่บริษัทของเราเป็นบริษัทอิสระเหมือนอาชีพอิสระนะแต่แลรคนทําของตัวเองเราต้องสำรวจตัวเองว่าตลอดปีที่ผ่านมากาไรหรือขาดทุนการปฏิบัติต้องสำรวจตัวเองเป็นระยะระยะนะทุกๆไตรามาสควรจะดูทีหนึงแล้วครบปีก็ควรจะดูสักทีหนึ่งไม่งั้นเสียเวลาจัดงานปีใหม่นะฉลองหลงๆไปไม่มีประโยชน์อะไร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 หรือว่าปีหนึ่งที่ผ่านมากำไรเคยหลงยาวก็หลงสั้นเคยทุกข์นานก็ทุกข์สั้นเคยทุกข์แรงแรงก็ทุกข์น้อยลงมันสำรวจตัวเองดูถ้าคนใดปฏิบัติถูกต้องตามวิธีที่พระพุทธเจ้าบอกปฏิบัติได้ถูกต้องตามวิธีที่ท่านสอนถ้าปฏิบัติสมควรแก่ทรธรรมหรือไม่ใช่ทำยอยๆแย่ๆแต่ตั้งใจทำจริงๆ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 ใจิตใจเราจะสว่างสวัยขึ้นมามีใครรู้สึกบ้างว่ามันสว่างขึ้นมีไหมมีพยักหน้าเยอะเลยนะมียกแบบเหนียมเนียมเยอะนะมีใครรู้สึกบ้างว่าภาวนามานานแล้วไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นไม่ต้องเกรงใจนะมีเหมือนกันคือพวกที่ทำหยอๆยอใหญ่ๆอีกพวกหนึ่งก็คือฟังเราทีนิด ห, หน่อยนะแล้วก็ไปทำนะทา ผ, ผิดๆถิถูกๆู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 สัมมาวาจามันก็คือศีลข้อ 4. สใช่มสัมมากรรมตะสัมมาอชิวามก็ศีลข้อ1ข้อ2ข้อสส่วนศีลข้อ5เนี่ยไม่ได้กำหนดไว้นี่เป็นของควรปฏิบัติถ้ากินเหล้าเมายามันก็ขาดสติใชใจมันคลึกใจมันขนองกินมากๆเข้าใจก็มืดใจก็มัวปวดหัวตัวร้อนนี่ก็ภาวนาไม่ไหวถ้าใจเราไม่ได้ติดยาเสพติดติดเหล้าอะไรนะใจเราปลอดโปร่ง เกื้อกูลให้มีสติจะส่งเสริมสัมมาสติเห็นไศีลห้าข้อมอยู่ในองค์มรรคนั่นแหละศีลอื่นๆก็เป็นแค่ตัวประกอบเท่านั้นเองนะมีศีลสอง้ีเาเข้าจริงมันก็ไม่ใช่ศีลส2 7นะีมไม่ใช่ข้อห้ามอะไรมากมายขนาดนั้นมันเป็นเรื่องระเบียบปฏิบัติซะได้เยอะอย่างธรรมะของพระนะพระวินัย75ข้อเรื่องเศขษยีวัดเรื่องระเบียบ การวางตัวเวลามานั่งต่อหน้าญาติโยมนะไม่นั่งเท่อย่างนโน้นเท่อย่างนี้นะหรือพูดไปก็สายอย่างนี้นะเนี่ยท่านห้ามมีพระวินัยนัศีลที่จําเป็นจริงๆศีลห้าเรามีศีลห้าไว้นะแล้วเราก็หัดเจริญสติเอารู้สึกกายรู้สึกใจไปจนเห็นความจริงของกายของใจพอเห็นความจริงเบื้องต้นจะได้โสดา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 ยิ่งรู้ทุกก็ยิ่งมีความสุขนี่เป็นเรื่องแปลกนะยิ่งวิ่งหาความสุขยิ่งมีความทุกข์งั้นปีใหม่ส่งความสุขมันส่งลมลมแร้งๆนะส่งโกหกหลอกลวงส่งได้ยังไงให้คนที่ส่งให้เรามันยังไม่มีความสุขเลยมีบางคนก็ส่งซอขศอให้พระด้วยมีส่งความสุขนะเรามีความสุขแล้วตัวเองต่างหากไม่มีความสุขอยากความสุขมาให้หลวงพ่อหมดแล้วเดี๋ยวตัวเองแห้งแล้งนะ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 นี่ถ้าะระลึกถึงอารมณ์ทั่วๆไปเช่นอยากทำบุญอยากใส่บาตรอย่างนี้เาเรียกว่าสาธารณกุศลแต่ถ้าะระลึกถึงกายะระลึกถึงใจเนี่ยสตีอันนี้เรียกว่าสติปัฏฐานเป็นสติปัฏฐานสติปัฏฐา น, ต, ฐานต้องรู้กายรู้ใจสติธรรมดาเนี่ยไม่ทำให้เกิดมรรคผลนิพพานสติธรรมดาทำให้เราเป็นคนดีเท่านั้นเอง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 เดี s <S ๋ยวก็อยากโน่นเดี๋ยวก็อยากนี네่นะความอยากเกิดขึ้นเราคอยรู้ไว้ความอยากเกิดแล้วคอยรู้ไว้กิเลสตัวไหนเด่นนะหรือจิตใจเรามีสภาวะอะไรที่เด่นก็เอาตัวนั้นแหละเป็นฐานเอาไว้เอาตัวนั้นเป็นฐานไว้เช่นจิตใจเรามีความสุขเยอะเราก็คอยรู้ไปมีความสุขแล้วก็คอยรู้มีความสุขคอยรู้ต่อมาพอความสุขหายไปนะมันจะรู้เลยว่าความสุขหายไปแล้วนี่มันไม่เที่ยงมันเริ่มเห็นสภาวะที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง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 กรรมาฐานบางคนต้องเรียนกรรมาฐานเฉพาะตัวนะอย่างบางคนหลวงพ่อบอกให้ไปดูกระดูกคนนี้ภาวนาอะไรก็ไม่ได้เลยนะทําความสงบก็ไม่เป็นอะไรอะไรก็ไม่ได้บอกไปดูกระดูกเจอหน้ามันทีไรนะบอกให้ไปดูกระดูกทุกทีมันก็ดื้อนะเดื้อดืนะ้ครูบาอาจารย์สอนเลยไม่ค่อยฟังนะวันหนึ่งมันจนปัญญาแล้วถูกหลวงพ่อด่าเรื่อยๆจนร้องหมร้องไห้นะวันหนึ่งมันดูจริงๆดูแล้วใจมันตั้งมั่นขึ้นมา ใจมตั้งมั่นขึ้นมาคราวนี้ไม่ได้เห็นแต่กระดูกแล้วร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกใจมันโลบใจมันโกรธใจมันหลงรู้สึกหมดเลยบางคนนะมันขี้โมโหหลวงพ่อบอกไปดูความโกรธบ่อยๆนะความโกรธเกิดแล้วรู้ทันเสร็จแล้วพอพอโกรธขึ้นมานะต่อไปพอโกรธขึ้นมาก็รู้ทันจริงๆแล้วรู้ต่อไปถึงร่างกายด้วยพอโกรธนะแหมหน้าร้อนขึ้นมาละหน้าแดงขึ้นมารู้สึกเลยนะตัวสั่นขึ้นมาเนี่ยรู้สึกรู้ไปที่กายด้วยนะ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 เพราะนไม่ต้องละความเป็นตัวตนนะเพราะไม่มีความเป็นตัวตนจะให้ละเราละความเห็นผิดว่ามีตัวตนความเห็นผิดว่ามีตัวตนเกิดจากการคิดนแแั่นแหละเพราั้นทําเมืไรจิตไหลไปคิดนะเรารู้สึกตัวขึ้นมาเรารู้ทันคิดหลุดออกจากความคิดในะขณะนั้นตัวโจรตนจะไม่มนะีนี่ฝึกไปเรื่อยนะจะเห็นว่าตัวตนไม่มีแต่จะเห็นอย่างนี้ได้ถ้ามีเงื่อนไขอีกตัวหนึงคือสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นของจิต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 ค่อฝึกเอานะค่อยฝึกวันนี้เทศพอสมควรแล้วขอโฆษณาหน่อยวันนี้มีหนังสือเล่มใหม่แจกนะเรื่องแก่นทำคําคสอนของหลวงปู่ดูลนะฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็หัดภาวนาไปนะแล้วก็ค่อยๆไปอ่านไม่ต้องรีบร้อนนะรีบร้อนอ่านเดี๋ยวปวดหัวหลวงพ่อเขียนย่อๆนะแต่ว่ามันจะครอบคลุมการปฏิบัติเอาไว้เยอะๆเลยครอบคลุมการปฏิบัติที่ถูกเป็นยังไงปฏิบัติที่ผิดเป็นยังไงนะ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 มันจะลดละกิเลสไปเรื่อยจิตจะสะอาดหมดจดขึ้นเรื่อยจิตจะเข้าถึงความไม่มีอะไรปรุงแต่งได้มากขึ้นเรื่อยๆค่อยๆหัดดูไปหลายคนน่าสงสารหลวงพ่อก็เห็นใจอย่างพวกเรามาที่นี่เป็นพันๆโอกาสที่จะถามหลวงพ่อมีเป็นหลักสิบสิบต้นๆเลยไม่ได้มากหลายคนเลยว้าวเวบอหลวงพ่อประมุ่นเป็นพระที่เข้าถึงยากเหลือเกินทําไมเข้าถึงยากกับก็คนอื่นเหมือนกันอยู่ห <laughs> ลวงพ่อไม่ได้กันเลยเห็นไหม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 อีกพวกหนึ่งเพ่งจิตเพ่งความว่างนะเพ่งเพ่งสิ่งที่เป็นอรูปมันมี4แบบอันหนึ่งเพ่งไปในความว่างเพ่งในความว่างเป็นสมถะกรรมฐานชนิดหนึ่งชื่ออากาศานัญจายตนะอีกพวกที่สองเพ่งเข้าไปที่ตัวจิตผู้รู้เลยเรียกว่าวิญญาณัญจายตนะจะรู้สึกว่าจิตไม่มีที่สิ้นสุดนี่วิญญาณเป็นอนันต์อนันตแน่เลยเพราะไปเพ่งใส่ผู้รู้ใช่ไหมตัวผู้รู้กลายเป็นตัวถูกรู้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 ถ้าทำอย่างนี้เราจะได้ไม่เตลดเิดเกิดเฟิงนะไม่งั้นเราจะพากันไปดูสิ่งอื่นที่มันไม่ใช่จิตหรอกชเช่นไปดูความว่างไปดูความไม่มีอะไรไปเพ่งจิตนะแล้วก็บางคนก็ทําเป็นไม่รับรู้นะทำใจให้ไม่รับรู้เ <c oughs> นี่ยโอ้พระอรหันนะหันอะไรนะพิกลพิการนะจิตมีหน้าที่รู้ก็ไปฝึกให้มันไม่รู้เนะี่ย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 นะวางฟอร์มจนกระทั่งฝันก็ยังวางฟอร์มนะวางฟอร์มถ้ามาเวลาอยู่กับคนอื่นก็อย่างนี้นะกูเก่งกูใหญ่เวลาเข้าวัดก็วางฟอร์มเรียบร้อยนะเรียบร้อยเจอหมาเจอแมวนะโค้งคำนับหมดเลยเผื <c oughs> ่อว่าเขาจะเป็นพระโพธิสัตว์นะนะนะนี่ของแกล้งแกล้งทำนะนั้นเอาตัวจริงออกมาให้ได้นะปลดปล่อยตัวจริงออกมาถือศีลห้าไว้ก่อนเพราะตอนที่ปล่อยตัวจริงออกมาน่ากลัวที่สุดเลยเพราะมันร้าย ร้ายกว่าที่คิดไว้นะแต่ละคนแต่ละคน น, ะนั่นถือศีล5้าไวนะ้ร้ายแค่ไหนให้มันร้ายอยู่ที่ใจอย่าให้ล้นออกมาทางกายทางวาจานะนี่เรียกว่ามีศีลห้าไว้มีผู้หญิงคนนึงนะพ่อดูมากเลยเป็นลูกคนจีนพ่อดุเขี้ยวเข็นบังคับตลอดเลยเครียดตลอดเลยแล้วพ่อตั้งมาตรฐานสูงไอ้นั่นไม่ได้นี่ไม่ได้ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ตลอดชีวิตมีแต่ความเครียดนะมาเรียนกับหลวงพ่อนะหลวงพ่อแคะอยู่89ปี ควาจะหลุดออกมาคว่าจะปล่อยไม่งั้นจะไปกดตัวเองไว้ไอย่างเงี้ยกดไว้อย่างงี้ทั้งวันเลยเพื่อให้มันเรียบร้อยถ้าไม่เรียบร้อยไม่ได้ <S <S พ่อดา่าเรียบร้อยกดไว้กดไว้เนี่ยคือสร้างตัวปลอมขึ้นมาแล้วก็ติดอยู่ในตัวปลอมนะั้นจนรู้สึกว่าเนี่ยเป็นอัตลักษณ์ของเราเนี่ยเราต้องเป็นอย่างนี้แหละพอเราเขียรเคียร์เคียแล้วตัวจริงหลุดออกมานะหลุดออมาเป็นคนที่ล่าเริงเบิกบานเนี่ยตัวจริงเขาพอตัวจริงหลุดออกมานะเขาดูอยู่เดือนเดียวเองนะ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 อาวันนี้เทศพอสมควรมีอะไรถ้าไม่ถามได้ก็อย่าถามเลยเพราะเท่าที่หลวงพ่อสรุปนะคำถามทั้งหลายทั้งปวงเนะี่ยตอบได้ด้วยกันบอกว่าให้รู้ทุกอย่างที่กำลังปรากฏในปัจจุบันรู้ไปด้วยใจเป็นกลางมีเท่านี้หละ่ะไม่เชื่อทดลองดูเดี๋ยวจะตอบให้ดูนั้น ม, มาการหลวงพ่อเจ้าค่ะ ขอลบกวนสองคำถามแล้วค่ะคํำถามแรกคือขอคําแนะนําในการปฏิบัติค่ะพยายามตามดูตามรู้ระหว่างวันส่วนพอถึงบ้านตอนกลางคืนก็เดินจงกรมเพราะว่าถ้านั่งวิปัสสนาแล้วจะหลับนะคะเพราะว่าเหนื่อยแล้วก็ตอนขับรถก็ฟังซีดีหลวงพ่อค่ะก็คือเหมือนเป็นช่วงชาร์ตแบตเตอรี่ค่ะเพราะว่ามีความสุขจะได้สู้กับงานได้ค่ะเราจะไปรอภาวนาตอนกลางคืนนั่งก็หลับแน่นอนอะมันเหนื่อยใช่ไหมบางคนกว่าจะถึงบ้านได้ทุรักทุเล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 อีกเรื่องหนึ่งก็คือสมัยตอนที่อยู่มหาลัยอ่ะค่ะคุณครูเคยพาไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยมันเกิดมีมีจิตแบบหนึ่งขึ้นมาก็คือว่าแบบเหมือนใจมันเป็นลบหลุ่ล้นเกินพัลตนาตายแล้วครูบาอาจารย์ขึ้นมาทําให้หนูแบบไม่กล้าเข้าวัดค่ะเพราะว่ากลัวจะบาปอ่ะแล้วก็ตอนค่ะตอนหลังก็เลยแบบมีคนแนะนําว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าพอเกิดแบบนี้ขึ้นปุ๊บก็กําหนดไปว่าคิดอากุศลหนออะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็บางลงแต่พอตารางมาฟังสิ่งที่หลงป็นสมถู้นะอืมเป็นรู้ ตรงที่จิตมันไปลบหลู่พระรัตนตรยัยสังเกตไหมจิตมันไปลบหลู่เองเราเจตนาไหมลึกๆหนูไม่ยากไม่ใช่เราเจตนาลบหลู่ไหมไม่จิตมันลบหลู่เองใช่ไหมเพราะจิตมันบาปเราไม่บาป <c oughs> เวลาจิตมันทํางานเองนะโดยที่เราไม่ได้มีเจตนาเนี่ยกรรมตัวนั้นเรียกว่ากตัตากรรมเป็นกรรมเล็กน้อยอย่าไปกังวลนะจิตมันลบหลู่เราก็รู้ทันเนะี่ยแกลบหลู่แกแสดง ความจุดอ่อนของแกออกมาแนละ้วแกไม่ใช่ตัวเราหรอกแกลบหลู่เราไม่ได้ลบหลู่นี่ย้อนสอนมันเข้าไปเลยนะแต่ไม่ใช่คิดนะให้รู้ทันลงไปในจิตมันเป็นคนลบหลู่นี่จิตมันไม่ใช่ตัวเราดูอย่างนี้ไม่ต้องไปคิดนะอกุศลนหนอศหนออกุศลหนอก็คืออกุศลครั้งที่2ขอบพระคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะกาะบ น, นมสัส ก, การหลวงพ่อครับปีนี้บริษัท ต, ตัวตรวงผมกาไรมหาศาลาเลยครับ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 พอรู้ก็ปล่อยพักๆ ก, ก็จะเผอขึ้นมาอีกอจิตปกติเหมือนตอนนี้ไหมก็ตอนนี้จะเป็นเต้นเปกดไปนะถ้าจิตปกติไม่เหมือนตอนนี้ก็ใช้ได้ขอบคุณทำในรูปแบบบ้างนะจิตมันยังไม่ค่อยมีแรง ท, รทำในรูปแบบเช่นไหว้พระสวดมนต์แล้วก็สังเกตจิตไปหรือเดินจงกรมแล้วก็เห็นกายมันทำงานเห็นใจมันทางานไหว้พระสวดมนต์อยู่ทุกคืน แล้วใครยสังเกตจิตที่มันวิ่งไปวิ่งมานะหรือเวราสวดมนต์อยู่เวลาเรากลับพระเราเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเนี่ยจิตมันเคลื่อนไหวเราก็รู้ร่างกายเคลื่อนไหวก็คอยรู้ฝึกซ้อมไปเรื่อยๆดูจนมาระยะหลังๆคือสักสองสองสมเดือนหลังเนี่ยครับคือจะดูเมื่อก่อนคือจะดูเห็นก็จะมีแต่ตัวเราร่างกายของเราจิตของเราอืแต่ดูมาหลังๆนี่คือร่างกายก็อืม มันเป็นไม่ใช่ของเราแล้วครับ ม, มันดูเป็นแค่วัตถุใช่เป็นวัตถุนั่นแหละดูไปที่หลวงพ่อบอกว่าตอนนี้คนดูได้อย่างนี้นะนับจํานวนไม่ท้วนละเพราะฉะนั้นเรามีสติที่ถูกต้องมีใจที่ตั้งมั่นขึ้นมาเราเริ่มเห็นแล้วกายไม่ใช่ตัวเราแล้วส่วนมากที่เห็นกายไม่ใช่ตัวเราไปเห็นตอนอาบน้ําังเห็นไหมทําไมต้องไปอาบน้าแล้วเห็นตอนนั้นเพราะตอนนั้นกําลังสัมผัสตัวเองอยู่ตรงร่างกายนี้จริงๆเป็นธาตุใช่ไหมธาตุดินเนี่ย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 ไม่ได้เพ่งครับอแล้วความรู้สึกที่มันไม่ไม่ใช่เป็นตัวเรานี่คือมันไม่ใช่เป็นเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเป็นสักยะทิฏฐิอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับยังไม่ขาดมันเริ่มเห็นแล้วต้องเห็นจนกระทั่งมันยอมรับนะสักยะทิฏฐิถึงจะขาดแล้วไม่เกิดอีกครับนะการประหารกิเลสเนี่ยถ้าประหารด้วยสมถะนั่นก็ข่มไว้ชั่วคราวทํำมิปัสนานะก็ใช้ธรรมที่เป็นคู่ปรับกันเช่นของเที่ยงเราเห็นว่าไม่เที่ยงอนะไรเงีนะ้ย ส่วนตรงที่ตัดด้วยมรคเนี่ยตัดแล้วตัดเลยเป็นสมุดเฉดตัดแล้วจะไม่กลับขึ้นมาอีกงั้นเวลาที่เป็นโซดาแล้วเนี่ยดูลงมาในกายในใจจะเห็นว่ามันว่างเปล่ามันกลวงไม่มีตัวเราตรงไหนเลยดูทีไรก็ไม่มีตัวเราเลยไม่มีแม้แต่เงาถ้ายังภาวนาไปเกิดบุบบุบว่า บ, บ, าบไแล้วคิดว่าได้โสดาใครสังเกตตัวเองสัก3าเดือนนี่ครูบาอาจารย์องค์หนึ่งเคยสอนหลวงพ่อนะว่าให้สังเกตสักสมเดือนน่ะ สามเดือนนี้ถ้ายังมีตัวเราโผล่ขึ้นมาก็ไม่ใช่ของจริงไปสังเกตเอาดีของคุณภาวนาดูไปเรื่อยนะรรแรงมันอ่อนไปนิดนึงทำในรูปแบบแล้วระวังเพ่งการทำในรูปแบบนี้มีเซนซิทีฟอยู่เรื่องเพ่งง่ายอา้าวต่อไปแล้วมาศ ก, การค่ะหลวงพ่อเคยถามหลวงพ่อครั้งนึงหลวงพ่อบอกว่าปฏิบัติใช้ได้แล้วแล้ว หลังจากนั้นก็รู้สึกใจสบายสบา ย, บายดูไปรู้ไปอรู้นานนานบ้างเผอบ่อยบ้างเผล่นานบ้างนะะเนี่ยพอ ด, ดูเป็นแล้วนะหลวงพ่อถึงยับอกให้มาทําในรูปแบบ<ะ>การทําในรูปแบบเนี่ยช่วยให้เรามีแรงล<ะ>ําพังดูในชีวิตประจำวันไปเรื่อยๆนะบางทีไม่มีแรงพอะจะเฉยเฉยเนยเนยจิตเฉยเฉยซึมซึม<ช>ไปน ะ, ะของคุณมันก็ไม่มีแรงและเพราะงั้นเราก็ไม่ทิ้ง รูปแบบที่ง่ายๆเลยอย่างเช่นเดินจงกลมเดินทุกก้าวที่เดินเนี่ยคอยรู้สึกทุกก้าวที่เดินก็รู้สึกแต่ไม่เพง่งคนไหนที่ติดเพ่งมานะหลวงพ่อจะบอกให้เลิกทําสมถะไปก่อนบางคนเลยเข้าใจผิดนึนว่าหลวงพ่อประมดไม่ให้ทําสมถะไม่ใช่คนนี้ยังไม่ควรทําสมถะก็อย่าเพิ่งทําคนไหนควรทําก็ต้องทํานะี่ยงรายๆไปเป็นเคสไปเป็นเวลาอของคุณไปเคลื่อนไหวนะ ถ้าไม่มีที่เดินจงกรมก็หางานบ้านมาทำกวาดบ้านถูบ้านซักผ้าอะไรที่เคลื่อนไหวอะ่ะก็ะช่วงนี้ก็พยายามดูว่าตัวเองทำอะไรอยู่เียค่ะอย่าจงใจมากไปนะถ้าจงใจจะกลายเป็นเพ่ง่ะนะอย่าให้เพ่งถ้าเพ่งเราซึมถ้าซึมแล้วรู้เลยว่าทำผิดแน่นอนนะเอาต่อไปนี่หมวยเปล่าค่ะครับนวัสการกล่าวนวัสการ์ค่ะหลวงพ่อตอนนี้ก็ตื่นเต้นค่ะจิตมีโมหะ แล้วก็เหมือนยังติดนิ่งอยู่ค่ะอืมกลับถูกค่ะแล้วอย่างนี้คือก็จิตไม่ตั้งมั่นใช่ไหมคะไม่ตั้งมั่นจิตไม่มีแรงด้วยค่ะรู้สึกไหมไม่ค่อยมีแรงใช่ค่ะเพราะว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็อาจจะภาวนาน้างกว่าภาวนาเพราะว่าอยู่บนเตียงอยู่โรงพยาบาลนะคะนอนบนเตียงป่วยไข้นะก็นอนดูกายดูใจไปนะเป็นนาทีทองแนละ้วนานๆจะมีโอกาสเจ็บป่วยขนาดนี้สัที <laughs> พอภาวนาไปแล้วคือนอนอยู่บนเตียงค่ะแล้วมันก็เผลอหลับไปมัอนก็เลยนอนเยอะไม่เป็นไรหลับไปก็ได้นะถ้าตื่นขึ้นมานะก็ขยับนิ้วขยับอะไรเงี้ยรู้สึกไบนะรู้สึกสบายๆไม่ใช่ขยับอย่างนี้นะเดี๋ยวอาการหนักขึ้นนะขึ้น<อ>ไหวที่ที่รู้สึกว่าจิตมันไม่เหมือนไม่มีกําลังเพราะว่ามไม่ได้ยินค่ะที่เห็นว่าจิตมันไม่ค่อยมีกําลังมันเหมือนได้ทาตามรูปแบบน้อยแล้วก็อ่ามันเป็นเพราะมันไปติดนิ่งติดสบาย ว่างๆอยู่ข้างหน้ามันเลยรู้สึกสบายมากกว่าใช่มันไปนติดความสบายติดความว่างนะไปอยู่ข้างหน้าให้รู้สึกเอารู้ทันว่าจิตไปติดอยู่ค่ะมันก็ยังติดอยู่ไม่เป็นไรค่ะอย่างถ้าป่วยหนักนะเรานอนดูร่างกายมันป่วยลวงพ่อเคยไปเยี่ยมพระองค์หนึ่งท่านไม่สบายท่านไตาวายไปเยี่ยมท่านนะญาติยโยมก็หวังว่าเราจะไปปลอบเลาก็ปลอบจริงๆนะท่านทําใจซะเถอะท่านยังไงก็ตายแน่รอบเนี้ย <laughs> ไหนๆท่านจะตายแล้วนะตายให้มันมีศักดิ์ศรีของนักปฏิบัตินะท่านนอนดูมันตายไปนะเพราะท่านใจถึงจริงๆนะท่านนอนดูมันตายจริงๆนะดท่านได้ของดีของวิเศษติดตัวไปเลย mm hmm. งั้นเราเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนะอย่ามัวแต่ท้อแท้ใจลำพึงลำพันน้อยใจในโชคชะตาทำไมต้องเป็นเรา mm hmm. ต้องถือว่าเป็นโอกาสแล้วได้เข้าสนามรบแลค่ะส่วนสรุปผลปลายปีใน ในเรื่องของการภาวนาก็รู้สึกว่าได้กําไรในภาพรวมค่ะเพราะว่าก็เห็นทุกครั้งที่มีสติก็ยังได้จิตไปหนึ่งกลุ่มากขึ้นนะนะได้กําไรค่ะแล้วก็แต่ว่าจิตมันยังไม่ยอมรับว่าตัวเราไม่มีอแต่ว่าจิตมันยังยอมรับไม่ได้ว่าตัวเราไม่มีค่ะเออไม่เป็นไรดูไปมันยังมีก็มีไปไม่ใช่ไปหลอกมันนะบางคนนึกว่าการภาวนาคือการโปรแกรมจิตในค่อยๆป้อนข้อมูลให้มันหลงเชื่อไม่ใช่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 กราบขอบพระคุณเจ้าค่ะเพะเอินน้องชายมาจากต่างจังหวัดแล้วจับฉลากได้ด้วยค่ะนานๆจะมาขอพิธีนี้ถ้าจับฉลากได้หลวงพ่อไม่ว่าอะไรเพราะที่นี่หลวงพ่อไม่ใช่คนชี้กราบนมัสการหลวงพ่อยกมาอย่างนี้แบบร้องคาราโอเกะครับกราบนมัสการหลวงพ่อครับก็ปฏิบัติเคยเคยไปเข้าคอร์สเคยเคยไปพักปฏิบัติกับหลวงพ่อเมื่อสองปีที่แล้วครับตอนนั้นหลวงพ่อบอกว่าเริ่มรู้สึกตัว แต่เมื่อต้นปีนะฮะตั้งแต่รู้สึกว่าทุกมันเยอะมากนะครับแต่ก็รู้สึกตัวบ้างแล้วก็พอมาสามสี่เดือนหลังนี่ก็พยายามสวดมนต์ให้เยอะขึ้นเพราะว่าจะรู้สึกตัวตอนสวดมนต์ดีเห็นจิตมันไหลไปเนี่ยเป็นร้อยครั้งหล<ม>ายร้อยครั้งตอนสวดมนต์นะครับนะฮะกับทุกมันก็น้อยลงพอสวดมนต์เยอะขึ้นเหมือนกับจิตมันมีกําลังขึ้นแล้วมันแยกออกมานะฮะ<ม>ทุกเรื่องครอบครัวเรื่องพี่เรื่องพ่อเรื่องแม่อะไรพวกเนี้ยอื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 ครับจิตมันจะตื่นเต้นขึ้นมาเรื่อยๆจนไม่มันมาถึงตัวครับนะหลวงพ่อเทศให้ตลกก็ผ่อนคลายลงเป็นระยะๆตอนนี้ก็รู้สึกจิตมันเบื่บอๆไปนะครับก็ขอคาแนะนำหลวงพอ่อดูไปอย่างที่เขาเป็นนะดูด้วยความเป็นกลางไปได้ๆเห็นไห้เหมือนที่บอกเลยไหมรู้ไปรู้อย่างเป็นกลางไปนะจิตมันมัวมันสลดลงไปนะมันไม่ใช่มัวโมหะ เมื่อกี้มันหลงไปหลงไปพอเราไปรู้ทันใจมันสลดลงมาหน่อยนะดีดูไปอย่างนั้นแหละต่อไปง่ายนะใครอยากคิดว่าการภาวนายากจริงๆง่ายค่ะกับนมัส ก, การหลวงพ่อนะคะมาส่งการบ้านครั้งที่2อนะคะมีคำถามหลวงพ่อ3ข้อค่ะข้อที่1 น, นะคะถ้าตัณหาเกิดแล้วรู้นะคะ แล้วก็ทำกรรมตามตัณหานั้นแล้วกำลังกิเลสเนี่ยมากขึ้นควรจะทำอย่างไรก็ไม่ทำสิเรื่องอะไรเราจะทำตามกิเลสล่ะอย่างเวลาเรามีความอยากสมมติเราเดินไปอยากกินเนอยากกินเรารู้ทันนะเสร็จแล้วถ้าร่างกายมันต้องการกินอาหารเราก็กินนะไม่ใช่ไม่กินหรือไม่ใช่พออยากกินเน่เด็กบางคนเจ้าเล่หลวงพ่อบอกอยากกินไอติมให้รู้ซะก่อนหน้าอะงมันบอกมันรู้แล้วมันกินเลย <laughs> อย่างนั้นมันตามใจกิเลสพอเรารู้ทันกิเลสแล้วเนี่ยเราตัดสินดาเนินชีวิตเราด้วยเหตุผลละนะไม่ใช่ด้วยกาลังของกิเลสแล้วไงอีกหมายถึงว่าถ้ากิเลสเกิดแล้วเราก็หยุดหยุดดูกิเลสใช่ั้ยคะเรารู้ทันมันไปนะดูไปอย่าเพิ่งไปทำตามมันสั่งเราต้องดูก่อนว่ามันสั่งสมเหตุสมผลไหมนะบางทีมันก็สั่งสมเหตุสมผลนะ อยากเป็นพระอริยะแล้ววันนี้มาฟังหลวงพ่อประโมทสักหน่อยเนี่ยอยากอย่างเนี้ยนะเราก็ดูทันรู้ทันความอยากเนี่ยความอยากหายไปแล้วสมควรมาเราก็มาไม่ใช่ว่าต้องมีโมทีฟด้วยกิเลสอย่างเดียวมีบางกิจกรรมมาหารู้สึกว่าแบบเพิดเพลินมากค่ะพอเพลินมากๆก็จะกิเลสเกิดมากก็จะนนลงมือทำกรรมนั่นแหละแน่นอนเลยเพราะฉะั้นเราต้องมีวินัยในตัวเองทุกวันต้องมีการปฏิบัติในรูปแบบบ้าง เราจะได้ไม่มีเวลาเพลินแกกิเลสมากลงเพราะอนะันับถือพวกมุสลิมนะมุสลิมที่ดีเนี่ยเขาละหมาดวันหนึ่งห้ครั้งเวลาที่ละหมาดเนี่ยไม่ได้ทําชั่วแล้วเห็นไหมจิตใจเขาคิดถึงพระเจ้าของเขาจิตใจเขามีความสุขความสงบมีคุณงามความดีขึ้นมาเนี่ยเขาเป็นการเลรกตัวเองเพราะงั้นเราก็ฝึกเรื่อยๆนะฝึกไม่ต้องเวลาครั้งเดียวตอนก่อนนอนนะเพราะนั้นทําแบบเสียไม่ได้แล้วอยากนอนส่วนมาก รีบสวดสวดบางคนเหมือนเมื่อวานค่นะน <laughs> <c oughs> ้อง<ต>ไงอีกแล้วก็ข้อที่สองนะคะก็คือจะถามเรื่องของการ เ, าเกี่ยวข้องกับการมาคุณนะคะถ้าว่าบวชใจอยู่ที่บ้านไปที่สวนสันติธรรมไม่ได้อ่ะต้องมีหลักปฏิบัติยังไงบ้างคะเรื่องอะไรนะเรื่องไปสวนสันติธรรมไม่ได้ไม่สามารถจะไปปฏิบัติธรรมที่สวนสันติธรรมได้หรือว่า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 เวลาที่เหลือเนี่ยถ้าเราโม่แต่คิดว่าเราไม่ได้อยู่ในวัดเราภาวนาไม่ได้เราก็จะภาวนาไม่เป็นไปตลอดหลวงพ่อไม่เคยถอยเลยสักวันเดียวนะตั้งแต่ตื่นหลวงพ่อดูของหลวงพ่อเลยรู้กายรู้ใจของเราไปเรื่อยเลยว่าเวลาไปส่งการบ้าน 3- าสเดือนไปส่งทีนะัมีผลงานตั้งเยอะแยนะเน่ยมีผลงานถึงขนาดทั้งพระทั้งชีบางทีตามมาเลยเห็เราเข้าวัดมานะเดินตามมาหากูบาอาจารย์มารอฟังมีไอชีคนหนึ่งนะสาวๆอยู่กับหลวงพ่อพุธ พอเห็นหลวงพ่อเข้าวัดน่จะคว้าสมุดมาเล่มหนึ่งเลยมาจดเดีนน๋ยวนิสึกไปแล้วเ้าเอาแต่จดแล้วเรื่องของการเกี่ยวข้องกับกรมคุณทั้งห้านะคะต า, ตาหูจมูกลิ้นกายนะคะวันมีหลกักสัมผัสมันไปนะสัมผัสมันไปกรมคุณไม่ใช่ไม่ใช่โทษชื่อมันก็บอกแล้วว่ากรามคุณตัวกรารมมันจะเป็นโทษแต่เมื่อเราไปหลงกับมัน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 ก็มีความรู้สึกว่าเออตอนนี้เราก็ไม่จะทำอะไรดิฉันก็พยายามปฏิบัติสวดมนต์ภาวนารักษาสินท่าดีก็วันนี้โชคดีได้มากราบหลวงพ่อซึ่งเป็นครั้งแรกที่ดิฉันได้เจอหลวงพ่อค่ะแล้วมันโชคดียังไงอ่ะ <laughs> โชคดีที่ได้เจอเพราะว่า<อ>ตั้งใจมาเจอค่ะอ๋อ <laughs> แม้โชคดีน้อยจัง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 ให้รู้ทันว่าจิตมันหลงกระจายกว้างๆเพลินๆ อ, ออกไปรู้ตัวนี้นะอย่างนี้เราะจะโชคดีการทานมัสการหลวงพ่อค่ะคือหนูเพิ่งเริ่มปฏิบัติมาประมาณสี่ถึงหกเดือนนะคะก็ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องลงไปก็รู้แล้วก็รู้สภาวะทางจิตนะคะอยากขอคำแนะนำหลวงพ่อคืออย่าอย่าให้ใจมันซึมนะอย่าน้อมให้มันซึมซึมไม่ดี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 รู้ซื่อๆยอมรับทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราจะเห็นเลยทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตนี้เป็นของชั่วคราวทั้งหมดนะถ้าดูอย่างนี้ใจเราไม่ปฏิเสธสิ่งที่กำลังปรากฏอยู่ใจจะไม่ทุกข์หรอกใจที่มีความทุกข์เนี่ยเพราะใจไม่ยอมรับความจริงที่กำลังปรากฏอยูนะ่เช่นเราเจอคนไม่ดีเจออะไรไม่ดีในชีวิตี้ใจเราไม่ชอบไม่อยากเจอเราจะมีความทุกข์มาก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 อยากก็ให้รู้ว่าอยากเอออยากเรารู้ว่าอยากนะแล้วก็รู้แลอย่าไปยอย่าไปห้ามมันนะอย่างมันอยากรู้ว่าอยากก็พอคือผมพยายามทามันนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีความที่รู้สึกว่ามันมันต้องการอยู่มันมีความต้องการให้รู้ว่าต้องการนะไม่ใช่ว่าฝึกให้มันไม่อยากนะฝึกว่ามันมีความอยากขึ้นมาก็รู้ทันเช่นว่าสมว่าตอนนี้เครียดอย่างเงี้ยก็จะให้รู้ว่าถ้าบอก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 อยากเป็นรัฐมนตรีอ่อได้เป็นอยากเป็นนายกอะไรเงี้ยอยากเป็นนายกแล้ว อ, อยากเป็นประธานาธิบดีอะไรเงี้ยมันเพิ่มไปเรื่อยๆไม่จบหรอกเพราะฉะั้นเราจะไปกังวลได้ไม่ได้เราพุทธเจ้าสอนหลักให้เราทําให้เต็มที่แต่เมื่อทําเต็มที่แล้วได้ผลเท่าไหร่เรายินดีในสิ่งที่ได้มานั้นเรียกว่าสันโดษนะต้องมีสันโดษเพราะฉะั้นเราอยากเราตั้งใจจะทํำจะทําททธุรกิจจะทําทให้ได้ร้อยล้าน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 หรือว่าเขารู้สึกที่ว่าคือเกิดความรู้สึกขึ้นมาครับบางครั้งผมจะสามารถกําหนดได้ว่าเอ อ, อไม่<ะ>ไม่ไม่กําหนดนะคือจะทันมันนะครับว่าให้รู้เฉยๆคือรู้ทันมันว่าเอ อ, เ อ, อตอนนี้อยากเออแต่สักพักหนึ่งประมาณได้สักประมาณสักชั่วโมงหนึ่อย่างเงี้ยความคิดนั้นก็จะกลับมาไม่เป็นไรมันเป็นคนละคนละนะคนเก่าซึ่งเคยอยากรอบน้นมันไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้เป็นอีกคนหนึ่งที่คิดเรื่องนี้ขึ้นมาอีกนะไม่เป็นไรนะ เรารู้ลงปัจจุบันรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปขณะขณะไปนะแล้วจิตเลยจะเปลี่ยนเองและจิตคุณจะมีความสุขมากขึ้นนะครับรู้ลงปัจจุบันไปมีชีวิตที่ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเป็นคนใหม่ตลอดเวลานะคนเก่าที่บอกเอ้เมื่อเช้าก็ดูตัวนี้หายไปแล้วทาไมใหม่อีกแล้วนั่นเปนคนเมื่อเช้าเพราะดูอยู่ตลอดเวลาแต่มันก็เปลี่ยนไปตลอดเวลาอย่าให้เครียดกันแล้วกันนะดูสบายๆอย่าดูอย่างเครียดนะขอบคุณครับไม่ดูหวังผลนะดูแค่ พอใจแล้วที่ได้เห็นกับนรัส ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะส่งรายงานครัง้งแรกการบ้านครั้งแรกนะคะปฏิบัติในรูปแบบดูลมหายใจมาสามสี่ปีนะคะตอนหลังก็ไปติดติดทั้งทั้งแข็งทั้งชื้อทั้งซึมแล้วก็เบาลงแล้วตอนตอนหลังที่ติดมากที่สุดนี่คือเป็นแน่นไปติดที่ที่อกค่ะค่ะ ก็ให้ฟังซีดีหลวงพ่อมาตอนหลังก็ฟังตอนที่หลวงพ่อสอนอมีคนที่เพ่งอยู่นะคะติดไปรับตรงนั้นก็รู้สึกโอ่งโล่งออกมามค่ะตอนนี้ก็รู้สึกโลง่งแต่ว่ายังมีสภาวะที่เกรงอยู่ค่ะโยงดีนะดูได้แล้วก็จะกลับเรียนขอคำแนะนำหลวงพ่อว่า ใ, ในรูปแบบอย่าอย่าไปตั้งแล้วก็หายใจอย่างเก่า นะแค่เคลื่อนไหวร่างกายไว้เคยดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนอะไรเงี้ยนะแต่ต่อไปชำนิชนานาญใจตั้งมั่นแล้วถือเราไปรู้ลมหายใจก็ไม่เป็นไรตอนนี้มันยังติดยังไม่หมดนะดูออกไหมมันยังไม่หมดนะค่ะยังค่ะเคยจะแวบเข้ามาเออนะมันจะยังเคยชินนะแม้เรายังไม่ไปทำอย่างโน้นเราพยายามเคลื่อนไหวไหมกระดุกกระดิกแล้วรู้สึกกระดุกกระดิกแล้วรู้สึกไปรู้เล่นๆไปค่ะนะ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 นั่นใจมันคลายตัวออกมาแล้วพอใจมันคลายแต่เป็นเรื่อยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกไปเลยแต่ว่ามันจะของเก่ามันแทรกเข้ามาเป็นระยะระยะก็ให้รู้ทันไปคะ่ะไปให้คนอื่นบ้างาจบยังนิดหนึ่งค่ะที่ดูจิตนี้ใช้ได้อะไรนะที่ดูจิตนะคะเพราะว่าเห็นไหลเห็นความคิดได้ได้แต่โยมันยังจับตัวรู้แน่นไปตัวแน่น จ, จับจับจิตเอาไว้แน่นเกินไปต้องผ่อนยังไงต้องผ่อนกว่า น, นี้อีกนิดนึ่ง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 เพราะโยมดูจิตไม่ออกไงเราก็ต้องทำหน้าให้ดูกับน้ำสการพะอาจารย์ค่ะไม่ได้ส่งกันบ้านนานแล้วค่ะตอนนี้ขอส่งนะคะเ<อ>คือเมื่อใดที่ว่าเรามีจิตตั้งมั่นนะคะเราจะเห็นสภาวะทุกอย่างมันผ่านไปไหลไปลไปอะคะ่ะโดยออที่ว่าเหมือนจิตเราอยู่ข้างนอกนะคะ่ะแล้วเมื่อใดที่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 เป็นอัตโนมัติขึ้นแต่ว่าใจก็ยังไม่ได้เป็นกลางอะคะ่ะก็ยังมีบางเวลาที่มันเอียงแล้วแต่ว่ามันจะเอียงมากเอียง น, อยนะะอ้อยอะค่ะหลวงพ่อนะใช่ได้แล้ใช่ไช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใ่อง่ใช่ใช่ใช่ใ อ, อ, อ, อ, อ, อ่ใช่ใชนใ้่นช่ใช่ใช่ใ่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใใ่ใช่ใช่ใ่ใช่ใช่่ใช่อช่าช่ใใช่่ใช่่่่่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 ตามดูมาเนี่ยก็รู้สึกว่าหลงฟั้นขึ้นแล้วก็แล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขขึ้นนะคะออก็จะฝึกไปผมว่ามีอะไรต้องแก้ไขบ้างคะรู้สึกให้ขณะนี้ประคองไว้เออรู้สึราเริ่ยนใช้ได้ละตื่นเต้นนวดก็ดูให้เป็นกลางนะไม่พอเราเห็นความจริงแล้วเราทนไม่ได้เราอยากให้เป็นอย่างอื่นลนะแล้วก็อยากใจมันน้อมไปในทางหนีอยากหนีไปอยู่คนเดียวอยู่ในถ้าอยากไม่เจอคนอนะาวนานล้วถดถอยใช้ไม่ได้นะ ต้องมาเรียนรู้โลกเห็นแม่โลกมีแต่ทุกข์แล้วก็อยู่กับมันแต่เราไม่ทุกข์กับมันนะไม่ใช่หนีมันไปแล้วก็ดีแล้วค่อยฝึกไปอยากข อ, อการบ้านด้วยค่ะไปทํำอีกนะ <c oughs> ทำอีกทาเป็นเราก็ต้องทําบ่อยๆหมอนจังมาสักการณช่วกันหลวงพ่อหนุน <c oughs> อยู่ไหนอยู่ไหนไม่เห็นภาวนาพุทโธแล้วอาการแล้วก็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 แต่บางคนบริกรมรมแล้วไม่ถูกจริตบริกรมรมแล้วเครียดงั้นก็ไม่เอานะบริกรรมแล้วยมยังต้องไปภาวนายมจะไปเข้าคอสกรรมฐา น, น, านาากรรมฐานนะเจ้าคะอย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปแล้วเราก็ภาวนาอยู่ที่บ้านพุโมธนามากกว่าพวกไปเข้าคอสเนี่ยส่วนมากไปแล้วก็ถูกบังคับนะต้องตอนนี้กินข้าวตอนนี้สวดมนต์ตอนนี้อาบน้ําเหมือนเด็กอนุบาลเลยนะตอนนี้ไปนั่งสมาธิเดินจงกรมเห็นไหม เราควรจะเดินตอนนี้ไม่ใช่มาให้เรานั่งอะไรเงี้ยนะแต่และคนมันไม่เหมือนกันขอบพระคุณเจ้านะอ่าได้อีกคนคนหนึ่งต้องขอเป็นเบอร์สิบคุณชายยศนะครับต้องช่วยส่งใหม่มาทางนี้หนึน่กับขอากาบหลวงพ่อครับคือเตรียมการบ้านแล้วมันก็หายแล้วมันก็หายเออ่อดีแล้วลายมันเกิดแล้วมันดับ โดยรวมก็คือว่ารู้สึกมีความสุขมากขึ้นนะครับทีนี้จะเรียนถามหลวงพ่อครับว่าผมรู้สึกว่าเรื่องใหญ่ของผมก็คือว่าเวลาที่มีคือคือเวลาที่มีคําถามอะไรพวกนี้ยเสียงของหลวงพ่อมันก็เข้ามาครับว่าออกเสร็จสัตว์คุณแล้วอครับอืแต่ผมรู้สึกว่าเรื่องอดทนต่ออต่อความทุกข์ว่าต่อการเข้าเห็นมันยังไม่ค่อยดีอ่ะครับแล้วมันเป็นอีอ่ะครับ เราไม่ต้องทนอะไรนะไม่ว่าเราไปสัมผัสอะไรแล้วจิตเราเกิดยินดีขึ้นมาให้รู้ทนันยินร้ายขึ้นมาให้รู้ทนันฝึกแค่นี้ก็พอแล้วรู้จักอาจารย์วิชาร์บอ่ะนั่งติดกันรู้จกักเปล่าไม่ทราบครับว่างๆไปทําสมาธิเพิ่มนิดนึงนะสมาธิอ่อนไปนิดนึงเป็นสมถะใช่ไหมครับใช่ใช่ใจมันไม่ตั้งมั่นนะขาดไปนิดหน่อยมันจะฟุ้งง่าย รู้สึกไหมมันฟุงฟ้งฟุ้งไปได้ครัคุณหลวงพ่อครับ <S <S เอ่อก็เนื่องจากว่าถามกันมาสมควรแล้วนะครับคือ15้าคนตามที่เราสัญญาไว้นะครับแล้วก็หลวงพ่อเหนื่อยแล้วนะครับขออนุญาตนำถวายทานเป็นตัวแทนของทุกท่านนะครับ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 กิตติตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิฉตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรรโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพีติโยวิวัตชันตูสัพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายยโกภาอาภิวาธนะศีลสนิจจังมุธาปจายโนจัตตารโธรรมาวัันตีอายุวันโนสุขังภะลัง ขยันภาวนานะโยมอย่าให้หมดปีหนึ่งเปล่าๆหาคุณงามความดีใส่ตัว